ย <25 S 2> ี่สิบห้ายูโรบัตตนดในเมืองนั g a r ติดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟ non station เสรลวิ่งบิ um ๊กเรดิฉันต้องการไปที่สนามบิน นอนบีมอานนเลียมเสร็จแล้ววิ่งบิขีเร่ดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมือง ந อนนักการมายาพกุฎิกข์เสร็จแล้ววิ่งบิขีเรที่ฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะนอนสถานีก็เยปปะด ப ปโววัตุดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ น, ะ น, นอน บிมอ ன นน ல ை ய த ล த ிย் க ு எ ப ิ ப กி ப ยังไงพดีดดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะ น, น, น้องน க กிร் ம นม ப ยับพกุดิกก์ยังไงพ்ดีเชลบดดิฉันต้องการแท็กซี่ย ன น் க ு ஒ รுแท็กซี่วาระกิคอ வேண்டும் ด, ดิฉันต้องการแผนที่เมือง எனக்கு ஒரு நகர வ ர ราวารายปดัดม์เดิฉันต้องการโรงแรม எனக்கு ஒரு ஹோட்டல் வேண்டும் ดิฉันต้องการเช่ารถยนต์ நான் ஒரு ร์คออร์วันดีวอดะฮิกก์ยึด வ ி ர ு ம ் ப ว க ி ற ே ன ்นี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะอีดเยนครดิต นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะยินดีเย็น car license ในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะอินเดนการิลปาร์คเยตรดไวเย็นน่ะยิ่งขี้ระดุคุณไปเมืองเก่าสิคะนิ่งกันปาร์ดยันนการัมเซลล์งกัคุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะ นิ่งกันนักรเรียนชุดละเสร็งกคุณไปที่ท่าเรือสิคะนิ่งกันธุระมุกมเสร็งกันไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะนิ่งกันธุระมุขชุดละเสร็งกันยังมีที่เที่ยวที่อื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะเบอร์เยดุมสวารสิยมอนะยืนดังกันยิ่งขึ้นเดิ